เรื่องไม่ได้ลักเจ็ดเรื่อง148สมัยนั้นพวกขโมยลักมะม่วงทําให้ผลมะม่วงหลดแล้วห่อถือไปพวกเจ้าของพากันติดตามพวกขโมยเห็นพวกเจ้าของจึงโยนห่อผลมะม่วงทิ้งแล้วหนีไปพวกภิกษุสาคัญว่าเป็นของบางสุกุลจึงให้อนุปัสมบันเก็บมะม่วงหอนั้นไปแล้วฉันพวกเจ้าของกล่าวหาภิกษุเหล่านั้นว่าพวกท่านไม่เป็นพระ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 ทำให้ผลขนุนสัมปลอหล่นแล้วห่อถือไปพวกเจ้าของพากันติดตามพวกขโมยเห็นพวกเจ้าของจึงยนห่อผลขนุนสัมปลอทิ้งแล้วหนีไปพวกภิกษุสําคัญว่าเป็นของบางสกุลจึงให้อนุภสัมบันเก็บห่อผลขนุนสัมปลอนั้นไปแล้วฉันพวกเจ้าของกล่าวหาภิกษุเหล่านั้นว่าพวกท่านไม่เป็นพระพวกภิกษุเกิดความกังวลใจว่า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 ทำให้ผลขนุนหล่นแล้วห่อถือไปพวกเจ้าของพากันติดตามพวกขโมยเห็นพวกเจ้าของจึงโยนห่อผลขนุนทิ้งแล้วหนีไปพวกภิกษุสำคัญว่าเป็นของบางสุกุลจึงให้อนุปสัมบันเก็บห่อผลขนุนนั้นไปแล้วฉันพวกเจ้าของกปล่าหาภิกษุเหล่านั้นว่าพวกท่านไม่เป็นพระพวกภิกษุเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัตปาราชิกหรือนอ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 ภิกษุทั้งหลายพวกเธอสําคัญว่าเป็นของบางสกุลไม่ต้องอบับด์วงเล็บเรื่องที่68สมัยนั้นพวกขโมยลักผลมะพร้าวทาให้ผลมะพร้าวหล่นแล้วห่อถือไปพวกเจ้าของพากันติดตามพวกขโมยเห็นพวกเจ้าของจึงโยนห่อผลมะพร้าวทิ้งแล้วหนีไปพวกภิกษุสําคัญว่าเป็นของบางสกุลจึงให้อนุปสัสมบันเก็บห่อผลมะพร้าวนั้นไปแล้วฉัน